คิตตี้เฮลโลคิตตี้อยากคิดว่าเป็นแมวใช่ไหมเราเข้าใจผิดมานานเลยมรู้เรื่องไหมมีคนเขาเขียนจดหมายเขาจะพรีเซนต์การ์ตูนเฮลโลคิตตี้แล้วเกรงว่าจะพรีเซนต์ไม่ถูกเขียนจดหมายไปว่าที่เขาจะพรีเซนต์อย่างนี้ว่าเฮลโลคิตตี้เนี่ยเป็นแมว มีคำยาวๆนะแต่ว่ามีประโยคหนึ่งว <h atheist mond ki> ่า Hello คิ t ตี้เป็นแมวส่งไปที mm ่บ hmm. ริษ mm ัทเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทบอกว่า Hello ค i t t y ไม่ใช่แมวไอ้คนนั้นช็อกเลยเคยเห็นการ์ตูน Hello ค i ต t y มไหมกลมๆแป้นๆนะมีหนวดหกเส้นนะตากลมๆดำๆมีโบด้วยใช่ไหมใครเห็นก็รู้สึกว่ามันเป็นแมวนั่นเราเข้าใจตามสมมุติใช่ไหม เขาเฉลยความจริงแล้วว่าไม่ใช่แมวเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งในเมืองอังกฤษเราอาตมาเคยไปอังกฤษนะไม่เคยเห็นฝรั่งหน้าอย่างนี้เลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ว่าเออคนอังกฤษหน้าอย่างนี้นั้นอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นของจริงได้รับความรู้หมายว่า เขาไม่ใช่แมวตกใจ ร, รู้ว่ามีความตกใจกขึ้นในใจรู้สึกขัดแย้งในใจเกิดโทสะขึ้นมาทำไมมาหลอกเราคุณหลอกดาว <laughs> ออมีดาวด้วยจริงจริงด้วยเนีน่คุณหลอกดาว <laughs> เกิดเสียใจรู้ทันว่าเสียใจอย่างีนะ เขาหลอกหรือเปล่ายังไม่แน่หรือว่าเขาจะพูดจริงหรือก็าจะพูดหลอกไม่รู้หรอกแต่ความเสียใจเกิดขึ้นในใจแล้วรู้ว่าเสียใจมีความเสียใจเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ความโกรธเกิดขึ้นในใจความโกรธกับใจที่ดูอยู่เนี่ยก็คนละอย่างกันความโกรธอยู่ตรงนี้ใจดูอยู่ใจดูความโกรธอยู่จิตที่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์นะรับรู้แล้วโกรธเช่นมาดูหน้าหน้าใครดี ใครจะสมมุติให้เป็นเป็นตัวอย่างให้ดูหมอเหน่งก็แล้วกันดูหมอเหน่งเห็นหน้าหมอเหน่งแล้วเกิดไม่ชอบเลยเกิดโทสะเพราะหมอเหน่งเนี่ยมาสอนแล้วขัดใจเรามากเห็นหน้าหมอเหน่งแล้วขัดใจเป็นโทสะโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเสวยอารมณ์แล้วนะจิตมีลักษณะคือเสวยอารมณ์แล้วก็ดับเป็นเหตุให้จิตดวหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์ เสิร์ฟเวอ์ลมที่หน้ามอญแห่งอีกเกิดโทสะอีกแล้วก็ดับนี่นะถ้าในขณะที่เกิดโทสะคนเราทั่วๆไปเนี่ยโทสะจะดับดับอยู่ไหมโทสะดับนะดับแบบปกติของคนทั่วๆไปคือว่าพอกําลังนึกถึงหน้ามอญแห่งแล้วก็โกรธโกรธอยู่เนี่ยนะชมพูมาชวนไปกินข้าวกันเถอะโทสะดับไปเพราะว่านึกถึงอาหารและอยากกินไปไปกินกินกิน โทสาดับไปแล้วโดยที่ไม่มีสติเกิดึ้นเลยไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวเกิดขึ้นนี่คือคนทั่วๆไปที่ไม่มาฝึกกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่เกิดความรู้อะไรเลยไม่เกิดความรู้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นมาแล้วมีกิเลสตอนดับไปเนี่ยจิตก็ดับเป็นปกตินะมันทำงานของมันเองเนี่ยนะมีโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยขณะที่ดับไปเนี่ยจิตมันจะจา